อเดินทางวันนี้นะสำหรับชาวธรรมยัตราคงจะเหนื่อยกันมากนะแล้วก็เหนื่อยมากกว่าเมื่อวานด้วยนะเพราะว่าเราเราเดินไกลกว่าอวันนี้เดินเท่าไหร่นี่เดาออกไงนะกี่เกนะ้าไงอืมสามหมื 38, นะ่นแปดพันเก้ามากกว่าเมื่อวานเนี่ยหมื่นกว่าเก้าเราทําได้นะเมื่อวานนี่หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ วันที่จะทําได้ไม่น้อยนะแต่สุดท้ายเราก็ทําได้แต่ถึงแม้จะเหนื่อยนะเดินธรรมยราเราก็ได้ประสบสัมผัสนะความกับความสุขอยู่เป็นระยะระยะโดยเฉพาะเนะ่ยเมื่อเรามาถึงนะปลายทางของวันนี้เนี่ยมีความสุขไม่ใช่เพราะว่าจะได้พักอย่างเดียวหรือว่าเพราะประสบความสําเร็จในการเดินสําหรับวันนี้ แต่มีความสุขเพราะได้รับความต้อนรับนะอย่างอบอุ่นน้าใจไมตรีนะทั้งของทางวัดแล้วก็ของชาวบ้านสักนี่ก็เป็นความสุขนะอย่างหนึ่งนะที่เรียกว่าล้นหลามในใจของพวกเราแต่มันไม่ใช่แค่มาถึงปลายทางแล้วมีความสุขนะเชื่อว่าระหว่างทางเราก็พบกับความสุขเป็นระยะๆะะเหมือนกัน มันเป็นความสุขแบบง่ายๆ เ, เพียงแค่หยุดเดินนะ้วก็ได้นั่งพักนี่ก็มีความสุขแล้ว เ, เพียงแค่ได้นั่งอยู่ใต้ร่มไม้ล้วก็มีความสุขแล้ว เ, เพียงแค่มีลมเย็นเย็นมาพัดกระทบตัวเบาๆนุ่มๆเนี่ยก็มีความสุขแล้วได้ดื่มน้านะ ดื่มน้ำไม่ต้องมีน้ำแข็งนะเพียงแค่ช่วยดับกระหายแล้วก็มีความสุขอยู่ที่กรุงเทพนะความสุขเราจะมีได้เนี่ยนะบางทีก็ต้องนะกินกาแฟลาเต้คาปูชินโนอเมริกาโนนะไม่ใช่แค่อเมซอนต้องสตาร์บัคถึงจะมีความสุขนะถ้วยเป็นร้อยๆนะ แต่นี่เราได้มากินกาแฟาที่เครื่องปรุงก็มีไม่มากนะแต่ว่าใส่ใจลงไปก็มีความสุขนะกาแฟานี้ถ้าคิดเป็นราคาข้า ง, งวดแต่ละแทบแต่ละถ้วยแต่ละแก้วก็ไม่ได้แพงอะไรมากแต่ช่วยอะไรคนมีความสุขกว่าตอนที่ไปกินในห้างสิทธิ์นะทั้งที่ราคามันแพงกว่าเยอะมันเป็นความสุขแบบง่ายๆเป็นความสุขแบบเรียบง่าย การอยู่เรียบง่ายเนี่ยมันจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีความสุขที่เรียบง่ายนะรองรับเมื่อมีความสุขที่เรียบง่ายรองรับมันก็ทำให้สมัครใจที่จะอยู่แบบเรียบง่ายไม่จาเป็นต้องกลํากืนฝืนทนบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าในยุคสมัยนี้เราต้องอยู่แบบเรียบง่ายเพราะว่าจำเป็นเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจ มันมีช่วงหนึ่งสมัยที่วิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยปี40แล้วก็ยาวมาอีกหลายปีต่อมาหลายครอบครัวก็ต้องรัดเข็มขัดก็ต้องอยู่แบบง่ายๆแต่ว่านั่นเป็นเพราะความจำเป็นสมัยนี้เราก็มีการเรียกร้องให้อยู่แบบเรียบง่ายใช้ทรัพยากรให้น้อยนะไม่อยู่แบบรุ่ราฟุ่มเฟือย ก็เพราะว่าโลกกำลังมีปัญหาการเกิดวิกฤตทางด้านสิ่งแวดลอ้อมน้ำก็ทำท่าจะเหลือน้อยลงทรัพยากรต่างๆก็ร่อยหอไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องมีเสียงเรียกร้องให้ประหยัดไฟประหยัดน้ำอันนี้ก็เป็นการอยู่แบบเรียบง่ายอย่างหนึ่งนะแต่ว่ามันเกิดจากความจำเป็น ซึ่งมักจะทาให้ซึ่งมักจะเกิดจากความไม่สมัครใจนะแต่ว่าจำเป็นต้องทำนะเพื่อความอยู่รอดนะของครอบครัวในกรณีที่มีปัญหาเศรษฐกิจเจอวิกฤตเศรษฐกิจซัดกระนำล้มละลายหรือไม่ก็เพราะว่าเพื่อความอยู่รอดในระยะยาวให้ความอยู่การอยู่เรียบง่ายแบบนั้นเนี่ยมันก็มันก็ดีนะ แต่มันเกิดจากความรู้สึกจำใจแต่ว่ามันจะกลายเป็นความสมัครใจและยิ้มรับนะก็ต่อเมื่อเราพบความสุขที่เรียบง่ายความสุขที่เรียบง่ายมายถึงความสุขที่ไม่ต้องอาศัย เ, เงินทองมากมายไม่ต้องอาศัยวัตถุสิ่งเสพมากมาย ไม่จำเป็นต้องอาศัยสินคา้าราคาแพงแบรนด์เนมระดับไฮโซสมัยนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยความสุขเขาเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากคือว่ามันต้องอาศัยความต้องอาศัยเงินแล้วเงินก็จำนวนมากจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อ มีโทรศัพท์ราคาแพงๆต้องเป็นยี่ห้อดังนะไอโฟนหรือว่าจะสะพายกระเป๋าเนี่ยก็ต้องไปซื้อจากเมืองนอกราคาแพงจะมีความสุขกับนาฬิกาได้ก็ต่อเมื่อราคานะมันเป็นแสนนะบางทีโลเวลยังไม่เอาเลยนะเพราะว่าถูกไปนะเอายี่ห้อที่แพงกว่านั้น ความสุขที่เป็นความสุขที่ยุ่งยากนะแต่นั่นคือสิ่งที่หลายคนเนี่ยแสวงหาเพราะว่าเขาไม่สามารถจะพบกับความสุขที่เรียบง่ายได้การเดินธรมรมยตาเนี่ยนะมันมันทำให้เราเห็นนะว่าความสุขแบบเรียบง่ายหรือความสุขแบบง่ายๆเนี่ยมันก็มันก็มีเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อม บางคนอจะไม่ไม่รู้สึกหรือไม่เคยคิดเลยนะว่ามันมีความสุขที่เรียบง่ายเพราะว่าเราถูกรอหลอมถูกโฆษณาชวนเชื่อให้คิดว่าจะมีความสุขได้นี่มันต้องต้องมีเงินเยอะเยนะต้องไปช้อปปิ้งร้านหรูห้างดังต้องมีของราคาแพงแล้วก็ยิ่งมีอายุนะ มากขึ้นมากขึ้นความสุขมันก็ซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากมากขึ้นไปด้วยซึ่งก็หมายถึงการใช้ของที่ราคาแพงมากขึ้นจากของที่เคยใช้ระดับเรือนหมื่นนะก็ข ย, ยับขึ้นเป็นเรือนแสนเรือนล้านนาฬิกาบางคนเป็นล้านนะตัวเลขนี่8หลักนะนะคือ10ล้านขึ้นไปเพาะต้องจะมีความสุข แตว่าความสุขแบบนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่เจอไปด้วยทุกข์นะเพราะว่าหนึ่งนะมันก็ต้องไปดีดนร่นขนขวายไปหามาหามานี่ก็ต้องมีเงินถ้ามีเงินด้วยวิธีที่สุดจริตไม่ได้นะก็ต้องไปโกงไปคอร์รัปชันหรือไปหาทางลัดเช่นเล่นการพ น, นันซึ่งก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงได้มาแล้วเนี่ยบางที กว่าจะไดไ้ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่ามีเงินก็จริงนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะได้มาต้องไปต่อคิวเข้าแถวแเวลาก็เปิดขายนะ h o n e 11เนี่ยไม่ใช่มีเงินจะก็ไปไดนะ้ต้องไปเข้าคิวบางทีก็ต้องไปต่อคิวตั้งแต่เที่ยงคืนหรือไม่ก็ตีสี4ตีห้านะเพื่อจะได้ ไปซื้อเป็นคนแรกเวลาร้านเปิดห้างเปิดนะหลายคนนะไปปารีสนะก็จ้องที่จะไปซื้อกระเป๋าสินค้าห้างดังลุยวิตตองมีเงินในมือนี่ยยังไปไม่ได้นะยังซื้อไม่ได้ต้องเข้าคิว ถ้าไปหน้าหนาวอากาศก็หนาวหิมะ ก, ก็ตกก็ต้องเข้าคิวที่มันทะลักล้นออกมาจากข้างนอกมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องมีเวลาด้วยแล้วก็ต้องมีความระห่าพอสมควรบางคนก็นักกันได้ด้ ว, ว่ามันต้องมีความโง่ด้วยนะพอไปปารีสแทนที่จะไปดูของสวยๆดูพิพิธภัณฑ์ที่งดงามภาพวาดที่ดูหายากเนี่ยกับต้องมานั่งเข้าคิวเสียเวลา หนาวก็นหนาว น, นี้มันเรียกว่าเป็นสุขที่เจอไปได้วยทุกข์เพราะมันยุ่งยากเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเป็นสุขที่เรียบง่ายเนี่ยมันไม่ต้องใช้เงินแล้วมันไม่จะเป็นต้องแข่งแย่งกันที่จริงไม่ต้องแข่งแย่งเพราะคนก็ไม่สนใจสุขแบบเรียบง่ายบางทีแค่ได้มีของง่ายๆข้าวน้าแกง หรือว่าส้มมะละกอกล้วยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วให้ลองนะลองมาสำรวจดูจิตใจของเราว่าในระหว่างที่เราเดินธรรมญาตตราเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าจะเต็มไปด้วยความเหนื่อยความทุกข์นะแต่มันก็มีความสุขให้เราได้สัมผัสเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะจากธรรมชาติ แล้วก็จากผู้คนความมีน้ำใจความอบอ้อมอารีเพียงแค่เ้ามายืนรอมานั่งรอเพื่อให้น้ำเย็นๆกับเราเนี่ยแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วหรือว่าเขามาชวนเรานะไปเข้าห้องน้ำในบ้านของเขาคมันก็มีความสุขแล้วมันเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินแต่มันเกิดจากน้ำใจหรือว่าเกิดจากอ่ น้ำใสหลยเย็นของธรรมชาติถ้าเรารู้จักความสุขแบบ ง, ง่ายๆเนะี่ยการอยู่แบบเรียบง่ายเนะี่ยมันก็จะเป็นเรื่องสมัครใจไปเองและถึงแม้จะมีโอกาสจะให้สุขแบบยากๆนะหรืออยู่แบบยากๆเรา ก, ก็ไม่เอาเพราะเรารู้ว่าอยู่แบบยากๆนี่มันมันเป็นสุขที่เจอไปได้วยทุกข์นะมันยุ่งยาก สมัครใจที่จะอยู่แบบง่ายๆอย่างพระเนี่ยนะท่านท่านพบกับสุขแบบง่ายๆท่านจึงอยู่แบบง่ายๆได้ไม่ต้องมีบริขารมากมายะท่านก็มีความสุขแล้วจะให้ไปอยู่แบบยากๆนะท่านก็ไม่เอาเพราะว่าไอ้อยู่แบบนั้นเนี่ยสุขมันก็จะน้อยลงมันจก็จะมีทุกมีภาระมาก ให้เราเข้าใจนะว่าให้อยู่เรียบง่ายเนี่ยนะมันเป็นไปได้ก็เพราะมีสุขที่เรียบง่ายเป็นเครื่องรองรับรู้จักกับสุขชนิดให้ดีสุขที่เรียบง่ายเนี่ยนะมันไม่ใช่เพียงแค่อาศัยปัจจัยภายนอกนะเช่นได้อยู่ใต้ร่มไม้มีลมเย็นๆนะพัด หรือว่าได้เจอความมีน้ำใจอบออารีของผู้คนไม่ต้องอาศัยสภาวติที่ปลอดโปรง่งปลอดโปร่งจากอะไรนะปลอดโปร่งจากขยะนะขยะชนิดนี้เรียกว่าขยะอารมณ์นะพูดกันมาตั้งแต่วันแรกๆพูดถึงเรื่องขยะขยะอารมณ์เนี่ยมันเป็นตัวขัดขวางนะ ให้สุขแบบเรียบง่ายเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากขยะอารมณ์นี่หมายถึงความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลอาจจะรวมไปถึงความโกรธความเกลียดเนี่ยพวกนี้เป็นขยะอารมณ์พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใจก็ทุกข์นะแล้วพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยหลายคนก็พยายามหนีทุกข์นะด้วยการไปชอปปิ้งบ้างละ มันจะได้คลายทุกข์คลายเครียดบางคนก็ไปหาเหล้านะเพื่อไปกบเกลื่อนนะความเครียดความกลัดกลุ้มลองสังเกตนะเวลามีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยความเครียดความกลัดกลุ้มความความโกรธเนี่ยอารมณ์พวกนี้มันจะผลักให้คนเนี่ยออกไปแสวงหาสิ่งเสพเพื่อกบเกลื่อนเพื่อหลีกหนีบางคนเครียดมากๆก็ต้องไปชอปปิง้งทงาน ทำงานหลายคนน่รู้จักหลายคน ท, นะที่ทำงานจนเครียดนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเงินเดือนสูงแล้วเขาก็คลายเครีย ด, ด้วยกันไปช็อปปิ้งเข้าห้างซื้อของแพงๆกินร้านหรูๆบางทีก็กินเหล้ากินไวน์ก็ราคาแพงเวลาไปเที่ยวไหนก็ต้องลรงแรมห้าดาว มันไม่ใช่เรื่องหน้าตาอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของความความกดกรบเกลื่อนความทุกข์หรือว่าหนีทุกข์ชั่วคราวนะเช่นอย่างที่เห็นได้ชัดเนี่ยเครียดมากๆก็ต้องไปกินเหล้ามันจะได้ลืมความเครียดหรือบางคนที่ชีวิตขาดความอบอุ่นรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจนะมันก็ต้องไปหาทางที่จะไปกลบเกลื่อนหลายคนก็ไปเที่ยวกลางคืน เชื่อผับเที่ยวบาร์บางทีก็ไปเชื่อผู้หญิงพวกนี้มันส่วนหนึ่งไปเรื่องความการกบเกลื่อนความทุกข์ใจเพราะมันมีขยะอารมณ์สะสมมากๆมันก็แปลกนะถ้าขยะอยู่ในมือเรานะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำเปล่ากล่องนมถุงพลาสติกห่อขนมเนี่ย หลายคนรีบทิ้งเลยนะถ้าเกิดว่ามันอยู่ในมือขนาดนั่งรถนะทำยังไงโยนออกนอกหน้าต่างหรือว่าบางทีอยู่ในวัดนะแล้วของขยับอยู่ในมือนะรีบโยนนะออกนอกตัวทันทีเลยมันจะทําให้วัดสกปรกไงไม่สนใจแล้วเราก็เห็นแบบนี้มากนะตามท้องถนน ท, ที่ที่คนไปเที่ยวเช่นอุทยานน้าตก ตามโรงเรียนหมาชเลยมีนะเยอะเลยนะไม่น่าเชื่อหมาชเลยเนี่ยก็ยังมีเศษขยะมากมายในวัดก็เหมือนกันคนที่มาเนี่ยนะเขามีขยะอยู่ในมือเขาดื่มน้าเสร็จไอขวดน้ำเนี่ยแต่ก่อนตอนที่มันยังไม่ยังมีน้ำอยู่นะก็หวงก็แหนมากเลยเพื่อนจะมาขอดื่มไม่ให้นะแต่พอดื่มน้ำเสร็จมันเหลือแต่ขวดเปล่าหลายคนรีบโยนเลย ทั้งที่จะรอหน่อยก็ได้รอหน่อยเพื่อใส่หย่อนล ง, งถังขยะถุงพลาสติกก็เหมือนกันนะห่อขนมถนะ้านขะยะในมือเนี่ยอยู่ในมือจะรีบทิ้งทันทนะีมีส่วนน้อยนะที่มีความอดกลั้นเก็บเอาไว้อาจจะเก็บใส่ถุงหรือเก็บ ไว้ในมือเพื่อที่จะไปหยอนลงทางขยะแต่จำนวนมากเนี่ยถ้าทิ้งได้เลยนะก็จะรีบทิ้งนั่นคือขยะในมือแต่ขยะในใจเนี่ยหวงแห น, นักนะขยะในใจคือขยะอารมณ์หวงแหน่เมื่อจะเป็นความเศร้าความโกรธความหนักอกหนักใจความเครียดความเกลียดเวลาเกลียดเวลาโกรธใครเนี่ยนะแทนที่จะรีบขจัดปัดเป่า ความโกรธความเกลียดให้มันออกไปจากใจเช่นให้อภัยแผ่เมตตาให้ไม่ยอมนะไม่ยอมใครมาแนะนำว่าให้อภัยก็ไปเถอะอย่าไปโกรธไปเกลียดก็ เ, เลยบางทีเรากลับไปแว้งต่อว่าเขานะที่แนะนำแบบนั้น ว่าเป็นพวกเดียวกับคนเหล่านั้นคนกลุ่ม น, น, นั้นเวลามีขยะรมณ์เนี่ยนะทําไมเราหวงแหนแล้วก็สะสมวันแล้ววันเล่านะเช่นเวลาโกรธใครเกลียดใครก็จะนึกถึงคนนั้นนึกถึงคําพูดนึกถึงการกระทําบางทีไปขุดนะขุดเรื่องเก่าๆมาที่เคยผ่านไปแล้วเนี่ยเป็นปีขุดล่างมาบางทีไม่พอนะ ไปขุดเอาคนเง่าสักกราระนะพี่พี่น้องพ่อแม่ของเขามาด้วยเพื่ออะไรนะเพื่อให้ขยะมันสะสมในใจเรามากขึ้นไม่พอเนี่ยบางทีไปคว้าขยะในปากเข้าม า, สาใส่ในใจเราเขาพูดอะไรไปเนี่ยอาจารย์ที่จะปล่อยผ่านเลยไปปล่อยให้ขยะมันออกจากปากเขาบางทีขยะมันก็ออกจากมันก็มันก็อยู่ในปากคนมากมายนะ เวลาเราพ่นขยะไปแทนที่จะปล่อยมันขยะตกลงไปจากปากเขาเกลับไปคว้าขยะจากปากเขามาใส่ในใจเรานล้วเสียเป็นไงก็โกรธเกลียดโมโหเมบางทีกลัวนะกลัวว่าจะกลัวว่าจะลืมโกรธนะกลัวว่าจะลืมเกลียดเพราะว่าถ้าผ่านไปเป็นปีเนี่ยเดี๋ยวจะลืมโกรธลืมเกลียดก็จะต้องนะจดจําหรือบางทีเขียนชื่อติดเอาไว้ ที่ข้างฝาหรือที่กระจกนะเดี๋ยวได้จำเอาไว้นะบางทีสักไว้ที่ข้อมือก็มีนะพาอกลัวลืมกลัวจะลืมโกรธนะเพราะว่าถ้าเกิดล้นลานะชีวิตมันมีความสุขสบายดีเดี๋ยวจะลืมโกรธลืมเกลียดอันนี้เราชอบสะสมขยะอารมณ์ความเศร้าก็เหมือนกันนะเวลาเศร้านี่เราหวงแหนความเศร้าเราสะสมความเศร้าเรื่องนั้นแหละคือคิดซ้าคิดทราบ บางคนเเคยเจอนะอมาม่าคนหนึ่งเนี่ยสิปีแล้วแกก็ร่ำรวยนะลูกก็ดีสามีก็ดีแต่หน้าตายกแกซึมแกซึมเพราะแกยังหวนคิดถึงตอนเด็กๆนะที่ถูกพ่อแม่เนี่ยละเลยพ่อแม่ไม่รักนะเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาเขาเมินเฉยลูกผู้หญิงแกรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ ก็ยังคิดถึงเหตุการณ์เก่าๆนั่นแหละทั้งที่ตอนนี้ชีวิตก็สุขสบายดีแล้วแต่แทนที่จะเปิดใจรับความสุขที่มีอยู่กับปิดนะแล้วก็ไปเปิดรับเอาความทุกข์ความเศร้าจากอดีตเนี่ยเก็บสะสมเอาไว้นะนอกจากไม่ปล่อยไม่วางยังเก็บเอามาสะสมเพิ่มพูนมากขึ้นตัวบางทีเป็นซึมเศร้าก็มีนะโรคซึมเศร้าก็เกิดจากการที่ ขยะอารมณ์เนี่ยมันสะสมมากนะขยะที่ชื่อว่าความเศร้าโครงคนเนี่ยเป็นโรคความดันขึ้นนะแล้วก็การเกลียวเป็นนิสัยเนี่ยเพราะสะสมขยะที่ชื่อว่าความโกรธความเกลียดเอาไว้เวลาพูดออกมานี่ไม่มีแต่ไม่มีคําพูดดีๆเลยนะมันมีแต่พูดต่อว่าประชดประชันเสียดแทงอันนี้เพราะการขยะสะสมขยะอารมณ์เป็นปีปี ความเศร้าเนี่ยก็เหมือนกันเวลาเราเศร้าเนี่ยนะเราชอบฟังเพลงอะไรเพลงสนุกเลยนะเพลงคึกคักหรือว่าหรือว่าชอบฟังเพลงเศร้าเพื่อมันจะได้เศร้ายิ่งขึ้นคือนอกจากสะสมแล้วนะยังหวงแหนนี่นะกูขอเศร้านะใครจะชวนไปเที่ยวกูไม่ไปนะกูจะขอเศร้านั่งเศร้ า, างี้แหละจะเป็นเพราะ อ, อกหกักเพราะของหายโทรศัพท์ถูกขมโมย เงินถูกโกงก็จะนั่งเศร้าซึมเพื่อนชวนไปเที่ยวไม่ไปเพราะว่าถ้าไปเที่ยวน่ยกลัววจะหายเศร้านะกลัวจะลัลลากูขอเศร้าให้มันยิ่งกว่า น, นี้ไนะม่แปลกนะขยะในมือเนี่ยรีบทิ้งขยะในใจเก็บสะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็เลยมีความสุขมันก็เลยมีชีวิต ท, ที่เรียบง่ายไม่ได้ช่วยมันกลายเป็นซับซ้อน นะธรรมยาตาเนี่ยปีนี้เรานะก็มีการจัดการขยะนอกจากขยะที่เป็นขยะที่มันอยู่ในมือเราที่มันผ่านมือเราก็ให้เก็บเป็นที่เป็นทางย่อนใส่ถุงใส่ถังขยะปีนี้เราก็เพิ่มมานะขยะอารมณ์เนี่ยอยากเก็บเอาไว้อยากเก็บไว้ข้ามคืนหรือว่าอยากเก็บเอาไว้นีขณะที่เราเดินทางออกจากที่ไหนนีย ก็ทิ้งขยะนะทั้งขยะในมือให้เป็นที่เป็นทางแล้วก็ทิ้งขยะอารมณ์นะไปด้วยเนะี่ยวัดเนี่ยนะมันเป็นที่ที่เราควรจะรู้จักทิ้งขยะอารมณ์มาจากบ้านเนี่ยมีขยะนะโกรธใครมาเกลียดใครมาทะเลาะใครม า, รรม า, รมาพอมาวัดก่อนออกจากวัดเนี่ยทิ้งมันซะนะทิ้งไว้ที่วัดนี่แหละ เเชื่อว่าหลวงพ่อนนก็จะบีนบาบด้วยทรรมิยัตตาก็เหมือนกันนะเราค้างแรมที่ไหนนะก่อนจะออกเดินทางก็กทิ้งมันนะขยะอารมณ์รีบทิ้งซะเราจะได้เดินด้วยใจที่ปล่อดโปรง่งนะอย่าเพียงแต่ทิ้งขยะในมือหรือว่าหาทางนะายขยะที่อยู่ในในในตัวเนะี่ย ขยะในลำไส้ใหญ่เนไหมนะเวลาจะเดินทางเนี่ยโอ้ก่อนจะเดินทางเนี่ยก็ต้องหาทางกําจัดขยะในลำไส้ใหญ่ก็นะคือถ่ายทุกออกไปถ้าอาแค่นั้นนะเราต้องรีบๆนะปล่อยรีบๆนะระบายขยะในใจของเราเมื่อเราทํานี้ได้เนี่ยนะจึงจะอยู่เรียบง่ายได้จริงจริงนอกจากไม่ไมทิ้งเรียร่า ด, ด้วยนะ นอกจากไม่ทิ้งขยะเรีย่ยรานแล้วเนี่ยยิ่งต้องเก็บด้วยนะอันนี้เป็นคุณธรรมนะของชาวธรรมยาตรานอกจากเราไม่ทิ้งขยะเรีย่ยรานแล้วเนี่ยเห็นขยะที่ไหนเนี่ยถ้าอยู่ในวิสัยที่เราจะเก็บได้แล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ในที่พักของเราหรือว่าที่พักแรมหรือว่าระหว่างทางขยะเนี่ยถ้าเห็นพลเมืองดีหรือผู้มีคุณธรรมจะรีบเก็บแต่ในเวลาเดียวกัน ขยะอารมณ์เนี่ยจะรีบปล่อยนะคนเราถ้าทำได้สองอย่างเนี่ยมันประเสริฐในชีวิตนะตอนนี้โลกต้องการคนที่ขยันเก็บขยะนอกจากไม่ทิ้งขยะด้่ยลแล้วต้องขยันเก็บขยะเพราะมันมีขยะเอยอะเหลือเกินนะตามน้ำตกอุทยานตามชายหาดเราต้องการพลัมือที่ทขยันเก็บขยะโดยเพพาะถุงพลาสติกนอกจากไม่ทิ้งแล้วเราเก็บด้วย ขณะเดียวกันก็ขยะอารมณ์ต้องรีบปล่อยอันนี้แหละก็ทําให้การอยู่เรียบงานและการใส่ใจโลกเนี่ยมันมันเป็นจริงนะพอถ้าเราปล่อยขยะอารมณ์ให้เร็วๆ เ, เนี่ยเราก็จะอยู่เราก็จะสุขแบบง่ายๆได้เมื่อยู่สุขแบบง่ายๆได้ล้วก็อยู่เรียบง่ายได้และขณะเดียวกันเมื่อเราไม่ทิ้งขยะพร่ำเพรือ่อไม่เป็นที่เป็นทางแถมยังอุตสาห์เก็บขยะที่เราไม่ได้ทิ้งแต่คนหนึ่งก็ทิ้งเราก็เก็บ มันก็เป็นการใส่ใจโลกแบบหนึ่งนะเพราะโลกทุกวันนี้ขยะมันเยอะมากมันมีทุกที่นะแลโดยเฉพาะในทะเลเนี่ยชายหาดน้ําตกภูเขาแม้แต่ขัวโลกเหนือขยะเพียบเลยโลกต้องการนักเก็บขยะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องการนักปล่อยขยะอารมณ์ด้วยเหมือนกันเอาล้วก็คําี่กระผมท่านนี้นะ